เมเีพวกนี้แหละเป็นโทษของรูปดูกรพิสูจน์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพ่งเห็นนางสาวคนนั้นนั่นแหละเป็นซากศพทิ้งไว้ในป่าชา้าเหลือแต่กระดูกสีขาวเปรียบได้กับสีสังหรือกระดูกตกเรียว่ากระดูกตกค้างอยู่แรมปีเรี่รายเป็นย่อมย่อมเหลือแต่กระดูกที่ผุแหลกยุ่ยเนี่ยนะก็จับตรงไหนก็ผุแหลกยุ่ยไปหมดเลยทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร ความงดงามเปล่งปลังที่มีในการก่อนหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วไม่ใช่หรือบอกเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าดูความพิสูจนทั้งหลายแม้ข้อนี้เล่าก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายโรคเมื่อตอนก่อนกับตอนนี้ก็ไม่ไม่เหมือนกันแล้วอีกยี่สบสสิปีต่อไปเนี่ยนะเราคิดดูนะว่ากระดูกของเราเนี่ยไล่จับแต่ละส่วนเนแต่ละแห่งไปอยู่ที่ไหนเนอะ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 ยิ่งล้างยิ่งชราไปเรื่อยๆผมเนี่ยยิ่งสะยิ่งงอกงินนะคล้ายๆนะเหมือนกันล้างสีออกเที่ยงหมดเลยก็เริ่มชราไปเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยนะออกกําลังกายยิ่งออกยิ่งหมดแรงในที่สุดยกร่างกายเขาไม่ไหวแล้วก็อย่างที่กล่าวว่าเนี่ยนะโอ้ยมันหนักเข้าไปทุกส่วนเลยนะเวลาจะก้มกราบก็แทบจะแมกเงยตัวไม่ขึ้นเลยนะลุกขึ้นก็ยากยากมันหนักแท้เนี่ยนะตอนแรกก็บอกแม้แข็งแรงนักกีฬาวิ่งนะแทบจะระดับนานาชาติแั้งเรื่องนะเป็นนักกีฬานักวิ่งเลยนะ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 เหตุที่สร้างรูปให้เป็นให้มีรูปไม่มีที่จบไม่มีที่สิน้นรูปเป็นไปไหลไปในสังสารวัตรที่ไม่มีจบมีสิน้นก็เพราะความเยื่อใอาายอะไรในรูปชันทราคะในรูปคิดถึงแต่สุขโสมนัสที่ได้มาจากรูปพอทุกโทมนัสที่ตามมาจากรูปบ้างละ แล้วโทษของรูปรูปเองก็มีโทษเมื่อรูปเหล่านั้นมันมีโทษดังที่ปรากฏไปแล้วเช่นชรา ม, มรณะกระดูกแหลกกระจัดกระจายไปเป็นต้นที่นี้เหลืออะไรล่ะก็เหลือแต่เหลือแต่ทุกใช่ไหมเหลือแต่โทมนัทเพราะโดยทั่วท่วไปแล้วรูปเหล่าใดเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเท่าใดรูปเหล่านั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกโทมนัมากเท่านั้นมันก็ทุกโทมนัก็ตามมา เมื่อทุกโทมนัสเหล่านั้นตามมารูปเสียหายเท่าใดทุกโทมนัสก็ตามมามากมายขนาดนั้นเคยรำพึงนึกถึงแต่ความหลังครั้งเก่าที่มันไม่เป็นอีกแล้วเนี่ยนะก็สำนวนอย่างที่บอกว่านะหมอคนหนึ่งก็เล่านะเขามาเล่าตามบอกว่าคนไข้คนหนึ่งอายุเก้าสิบกว่าแล้วไปหาคุณหมอไปนั่งเล่าให้หมอฟังหมอตรงนี้ก็ปวดตรงนั้นก็ปว ด, ปวดไล่แตงหัวโจยเท้าวปวดหมดเลยเขาบอกนะอายุเก้าิกว่าแล้วคุณหมอก็นึกในใจนะ ว่าคุณปู่อย่างนี้ล้อมใหม่อย่างเดียวเขาว่างั้นหมายความว่าถ้าเป็นภาชนะดินมันก็ร้าวไปหมดแล้วไม่รู้จะหยาบตรงไหนแล้วว่างั้นไม่รู้จะเยียวยา อ, อกเชื่อมประสานเอาตรงไหนแล้ว ว่าอยังไงมันร้าวไปทั่วทั้งทั้งถ้าเป็นหม้อดิน่ะนะเคยเห็นหม้อดินไหมหม้อดินที่มันร้าวแบบไม่มีเยื่อใยแล้วมันจะเป็นหม้อผุอยู่แล้วเนี่ยก็มีวิธีใหม่ก็ปั้นหม้อใหม่แค่นั้นเองถ้าจะให้มันดีดังเดิมเนี่ยมันไม่ดีแล้วมันมีแต่แย่ไปกว่านี้ไปเรื่อยๆอย่าคิดเลยว่ามันจะดีกว่านี้แต่ก่อนที่มันจะเป็นขนาดนั้นเนี่ยเจริญวิปัสสนาปัญญาเพื่อเบือ่อนายและคลายกำหนารวบรวมโพธิปัจขยธรรมทั้งมวลเพื่อตัดฉันทราคาในรูปเธอ เนี่ยรวบรวมคุณธรรมรวบรวมสติปัญญาสัมมปาปัญญาอิทิบาทอินทรียพละโพ่อชองและองค์มรรครวบรวมคุณธรรมที่เป็นไปเพื่อตัดฉันทราคะในรูปเรียกว่าเหมือนอย่างว่าโพธิปัขยธรรมเนี่ยนะมันก็เหมือนกับยานที่นําออกจากฝั่งหนึ่งไปสู่ฝั่งหนึ่งสลัดทิ้งจากฝั่งนี้อย่างเดียวจึงจะประสบสุขแต่ทิ้งรูปแล้วไม่ถือเอารูปอีกมันเป็นของยาก เพราะใจของเรานะเอเบื่อรูปนี้ก็น้อมไปหาอีกรูปหนึ่งเบื่อรูปหนึ่งก็น้อมไปหาอีกรูปหนึ่งเบื่อเสียงหนึ่งก็น้อมไปหาเสียงหนึ่งเบื่อทวารหนึ่งก็น้อมไปหาทวารหนึ่งแต่ไม่น้อมไปเพื่อตรัสรู้ธรรมที่พ้นจากกองทุกขเหล่านี้เลยกลัวตัวเองจะสูญกลัวจะหายกลัวจะหมดอัตตาวังนั้นน่ะกลัวจะสิ้นทุกข์วังนั้นน่ะเพราะฉะนั้น เรียกว่าพอจะจากขันห้าพอจะเบื่อนายและคลายกำหนัดขันห้าก็นึกถึงสุขและโสมนัสที่มาจากขันห้าพอจะสวยสุขจากขันห้าจริงๆก็มีแต่โทษอา้าวไอ้พอจะเบื่อนายอีกอ้าวเพราะเ อ, เ อ, เอ้มันก็มีดีตั้งหลายอย่างอนะแล้นก็เลยเป็นอย่างนี้แหละเรียกว่าจะทิ้งก็เห็นข้อดีนะพอเห็นข้อดีก็อยากจะทิง้ง อ, อะไรนะพอว่าจะทิ้งก็เห็นในแง่ดีไอ้พอจะเอาเข้าจริงมันก็มีแต่แง่ร้า ย, ายไอ้จะทิ้งอีกก็ดีอีกแล้วเคยเก็บขยะในบ้านนะเก็บของในบ้านนะ เอ๊ทิ้งดีมั้งออ้ยมันยังใช้ได้ดีก็บอกเก็บต่ออีกหน่อยเถอะเก็บทําไมเก็บให้มันเก่ากว่านี้จะได้ทิ้งได้อนะก็แค่นั้นแหะไอ้ที่ถามว่าเก็บเออมันก็เออมันก็ยังดีนะเก็บไปเก็บมามันก็ทิ้งอยู่วันยังค่านั่นแหละเพียงแต่ว่ารอเลื่อนเวลาทิ้งไปอีกหน่อยหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้แหละขันทั้งหลายนะมันก็แต่ทิ้งให้มันเสร็จตั้งแต่แรกบอกไม่ได้ไม่ได้ต้องรออีกเวลาหนึ่งถึงจะทิ้งได้มันก็เปอย่างนี้แหละขันห้า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 มันไม่ได้มีแต่ไอ้ดอกที่ ง, งามๆสวยๆมันมีอะไรมีการเพราะมีการปลูกมีการรดน้ำพรวนดินมีหนามแล้วก็ดอกเองก็มียังมีเฉาอีกต่อไปเนี่ยนะแต่ไอ้ความงามของดอกชั่วสองสามชั่วโมงหรือชั่วสองสาวันเนี่ยมันเย้าโยนยิ่งนักเหมงอนกันแล้วก็ไอ้ดอกที่งดงามสองสามวันนี่แหละทำให้ติดเรียกว่าทำให้หลงไหลต้องเพาะต้องปลูกต้องรดน้ําต้องพรวนดินต้องใส่ใจบํารุงรักษาดูแลเยียวยา โอ้นแทบตายเพื่อจะได้ดูดอกงามสามวันแค่นั้นองนั้นะนะนะถ้าเป็นดอกบูชาพระด้วยบูชาเช้าเย็นเนี่ต้องไปเหยียดจับทิ้งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไปอยู่เฝ้าเจดีแล้วจะรู้นะโอ้ตอนขาเขาเอามาแต่ดอกไม้งามแท้วันหลังก็เอาขยะไปทิ้งเนะนะนี่ยนะคนสมัยก่อนเนี่เขามีกองดอกไม้ไปบูชาพระพุทธเจ้าที่เชตาวันในสูงท่วมหัวอางนั้นะนะนะดอกไม้เยอะมากอนะแต่ดอกไม้เหล่านั้นก็อย่างว่าดอกไม้สดก็กลายเป็นดอกไม้เฉาแล้วก็ดอกไม้ เหี่ยวแล้วก็ดอกไม้โรยเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่ามีผสมน้ำก็จะเป็นดอกไม้เน่าก็ขึ้นรากลิ่นตลบไปหมดเลยนะตอนแรกก็อยากหอมมากตอนหลังเขาบ่าเอาไปใกลๆหน่อยได้ไหมไอ้ดอกเดิมนี่แหละแต่คนละเวลาเนี่ยนะันถ้าเห็นโทษเท่าใดใจก็น้อมเพื่อที่จะออกจากรูปดังั้นคนที่จะออกจากรูปได้เนี่ยถ้ามีรูปสุขอย่างไรและทุกอย่างไรถ้าดับรูป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 สายเยื่อใยเหมือนกับใยบัวเนี่ยนะเล็กๆนี่แหละแต่ว่า ม, มันเป็นที่เรียกว่าใยทิพย์ว่า ง, งั้นเถอะบ่วงอันเป็นของมนุษย์ทั้งบ่วงอันเป็นของทิพย์เนี่ยนะจะต้องอาศัยอริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8ดเท่านั้นแหละจึงจะสําเร็จการตัดได้สําเร็จถ้าหากว่าอริยมรักไม่ครบองค์แปดไม่ประกอบไปด้วยองค์แปดเรี่ยวแรงไม่มีพละไม่มีอินทรีย์จริงๆนี้ตัดไม่ได้ละไม่ได้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 ถ้าไม่มียาไม่บริโภคยาคือโภชงไม่บริโภคยาคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดตัดเชื้อตัดเยื่อใ ย, ยตัดอาลายัยอาวรนในขันห้าไม่ใช่จะเป็นของง่ายแต่ก็ตัดได้นะตัดได้ น, นะครบทุกนนะว่ารูปอ่า น, นะอาศะทะของรูปคือสมุทยัยสัจจะอาทีนวะของรูปคือทุกขสัจจะแล้วก็นิสรณะการสลัดออกจากรูปเป็น สมุทยสัจจะและมะัสสัจจะทั้งหลายนี้ต่อไปในกล่าวถึงภาษาศาสนาทั้งหลายที่รู้จักรูปและไม่รู้จักรูปที่ทําปริญญาในรูปและไม่ได้ทําปริญญาในรูปดูก่อนพี่โซทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัดอัศทะของรูปโดยความเป็น อ ส, สาทะกือเรื่าไม่รู้จักความหน้าเพลิดเพลินเย้ายวนของรูปตามเป็นจริงเนนะไม่รู้จักพิษภัยทุกโทษความน่ากลัวของรูปที่ประกอบไปด้วยพิษภัยทุกโทษประกอบไปด้วยชรา ม, มรณะเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่รู้จักการสลัดออกไม่รู้จักทำเป็นที่สลัดออกจากรูปตามความเป็นจริง นิพานเนี่ยเป็นธรรมที่สลัดออกจากรูปถ้าไม่ตรัสรู้นิพานด้วยอริยมรรคเป็นที่ถ่ายถอนรูปเป็นที่สลัดออกจากรูปตามความเป็นจริงตามที่กล่าวมาแล้วหมายคก็ว่าไม่รู้จักรูปรูปสมูทายรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาไม่แทงตลอดอริยสัตว์ตามความเป็นจริงพวกเหล่านั้นหรือจักรรอบรู้ทั้งออรอบรู้รูปทั้งหลายด้วยตนเอง จะทําปริญญารอบรู้ในรูปได้ไหมถ้าไม่ทําปริญญารอบรู้ในรูปจักละรูปสมูทัยได้ไหมถ้าไม่รอบรู้สมูทยัยจักแทงตลอดรูปนิโรธได้ไหมถ้าแทงตลอดรูปนิโรธไม่ได้อริยมรักจะเต็มบริบูรณ์ได้ไหมอริยมรักจะบริบูรณ์ได้ต่อเมื่อได้สัมผัสกับพระนิพพานถ้าไม่ได้ตรัสรู้หรือทําให้แจ้งพระนิพพานอริยมรักไม่มีทาง บริบูรณนะก็เจริญไปจนกว่าจะได้แทงตลอดพระนิพานเมื่อแทงตลอดอมตะนิพานเป็นที่ดับรูปแล้วนั่นแหละจึงจะอุทายทอนรูปวันผู้ที่ไม่รู้จักรูปเหตุเกิดของรูปความดับรูปอาทีนวะของรูปนิสรณ ะ, ะของรูปเป็นต้นตามความเป็นจริงไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงไอ้ที่จะชักจูงบอกกล่าวแนะนาสั่งสอนคนอื่นเพื่อ เพื่ออะไรเพื่อจักได้ปฏิบัติทำปริญญาในรูปจะได้ละรูปสมุทยัยทำรูปนิโรธให้แจ้งจเจริญรูปนิโรธทักามินีปฏิปทาทั้งหลายข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้อย่างยุคใหม่ๆเนี่ยนะการเจริญกรรมฐานทั้งหลายไม่ได้เป็นไปตามโอวาทคาสอนเราจึงจะไม่ค่อยได้ยินมารูปเหตุให้เกิดรูปความดับรูปหรือทำเป็นที่ดับรูปและข้อปฏิบัติเพื่อดับรูป Na, ข้อปฏิบัติเพื่อให้ตรัสรู้ธรรมที่ดับรูปพั้แสดงว่าไม่รู้จักรูปรูปสมุทยัยรูปนิโรธรูปนิโร ธ, รโรธาคามินีปฏิปทาเมื่อไม่รู้จักรูปตามความเป็นจริงไม่รู้จักอัาทะหรือสมุทัยของรูปตามความเป็นจริงไม่รู้จักอ า, าทีนะพิษภัยทุกโทษของรู ป, ป, ารปตามความเป็นจริงไม่รู้จักพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับรูปเป็นธรรมที่สงบรูปตามความเป็นจริง แล้วจะปฏิบัติอย่างไรเพราะข้อปฏิบัติก็เพื่อให้รู้ว่าอะไรคือรูปอะไรคือความเกิดหรือเหตุให้เกิดรูปอะไรเป็นธรรมที่ดับเหตุที่สร้างรูปอย่านีเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติเพื่อแทงตลอดธรรมเหล่านั้นได้อย่างไรนั้นจะต้องรวบรวมคุณธรรมเพื่อให้ทำรวบรวมคุณธรรมคือโพธิปักขยธรมรมรวบรวมสติปัฏฐานสมมติปัฏฐานอิทธิบาต อินท ร, รียพละโภชงและองค์มักเพื่อกำหนดรอบรู้รูปรูปบางอย่างกำหนดรอบรู้ด้วยสติปัฏฐานรูปบางอย่างกำหนดรอบรู้ด้วยสัมปัฏฐานรูปบางอย่างกำหนดรอบรู้ด้วยอินทรีย์พละโภชงแต่ละอย่างด้วยองค์มักถ้าคุณธรรมคือโพธิปัจจะธรรมเหล่านี้ประชมกันได้เมื่อไหรจึงจะปฏิบัติเพื่อตรัสรู้ทําเป็นที่ดับรูปได้อย่างบริบูรณ์เพิ่นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดสมณะคือสมณะคือผู้ใด ผู้ที่แทงตลอดสามัญญผลผู้ที่แทงตลอดอ่ะสามัญญผลคือโสดาปฏิพนสกธาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลหรือพรามพรามก็คือผู้ที่อะไรผู้ที่เข้าถึงความเป็นผู้ประเสริฐผู้ที่ละบาปลอยบาปเหล่าแล้วผู้ที่ละบาปลอยบาปได้แล้วเราใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดอัศทะของรูปทั้งหลายโดยความเป็นอัศทะรู้ชัดอาทีนวะพิภัยทุกโทษของรูปทั้งหลาย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 เมื่อพระองค์รอบรู้รูปเหตุเกิดของรูปความดับรูปข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูปรู้จักอัศาธาของรูปอาทีนวะของรูปนิสรณะของรูปตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วพระองค์จึงสามารถชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างที่ผู้ปฏิบัติแล้วจักรอบรู้รูปทั้งหลายได้คือหมายความว่าจะปฏิบัติได้เป็นเช่นกับพระเรียเจ้าทั้งหลายที่เคยกาหนดรอบรู้เรื่องรูปได้ อันนี้เป็นไปได้เป็นฐานะที่จะมีได้คือก่อนหน้านี้เนี่ยเดียร์ีเขายกตนเสมอพระพุทธเจ้าว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่รอบรู้ในเรื่องรูปพระองค์บอกว่าถ้ารอบรู้เรื่องรูปจริงจะต้องรอบรู้ในรูปอัฏฐะของรูปอาทีนวะของรูปและนิสรณะของรูปถ้ารอบรู้เรื่องรูปจริงก็ต้องรู้ว่ารูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธข้ามิม่ีปฏิปทาและคําว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จําได้แต่หลักการ แต่หมายคาว่าเห็นอย่างนี้ในชีวิตที่เป็นจริงเมื่อรอบรู้สิ่งเหล่านี้ในชีวิตที่เป็นจริงแล้วเนี่ยนะเห็นทำเหล่านี้ตามความเป็นจริงบอกให้ผู้อื่นเขาเจริญและปฏิบัติตามนี้ได้ไหมบอกไม่เป็นฐานะที่มีได้นะี่นะมันผู้ที่ทำกิจเหล่านี้แหละจึงจะบอกให้ผู้อื่นเจริญสิ่งเหล่านั้นได้